มีประเด็นอะไรเนาะอ่าฮะอ่าฮะในอะไรนะเปิดไม่เลยเปิดทิ้งเลยฮัลโหลฮัลโหลฮ ในมหานิทานสูตรนะคะ่ะของปฏิจจสมุปบาท<ะ>เรื่องเกี่ยวกับว่าด้วยเหตุบัญญัติอัตตาค่ะดูก่อนอาโนนบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตาย่อมบัญญัติด้วยเหตุประมาณเท่าไหร่ก็เมื่อบุคคลจะบัญญัติอัตตามีรูปเป็นการมาวจรย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีรูปเป็นกรรมวจรเมื่อบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดนี้ได้ ย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีรูปหาที่สุดไม่ได้เมื่อบัญญัติอัตตาไม่มีรูปเป็นกรมาวจรย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเราไม่มีรูปเป็นกรมาวจรเมื่อบัญญัติอัตตาไม่มีรูปหาที่สุดไม่ได้ย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเราไม่มีรูปหาที่สุดไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยค่ะว่ากรมาวจรแปลว่าอะไรอ่ะคะ มีรูปเป็นกรมวจรย่อมมันย<ล><ล>ัิว่าอัตราของเรามีรูปเป็นกรมาวาจรคือทั้งพสศเนี่ยค่ะคือไม่กามาธาตุเนยมหาปุตต ธ, ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนะกามภพหรือกรมาวาจรนะเล่นไปในในภพอันเป็นกรรมาธาตุหรือมหาปุตต ธ, ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนั้นเวลาก็จะบัญญัติอะไรมันก็ต้องมีการเกิดปรากฏเนี่ย ยมจะบัญญัติอะไรมาก็ตามจะเรียกอะไรก็ต้องมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เรียกซะก่อนอัตตาตัวตนจึงบัญญัติขึ้นได้นั้นการบัญญัติอัตตาจึงบัญญัติภายใต้การเกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏถ้าเกิดไม่ปรากฏก็บัญญัติอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นการบัญญัติภายใต้มหาพุท ธ, ธาตุสี่จะมีการบัญญัติ ภายใต้กายที่สำเร็จด้วยใจกายที่สำเร็จด้วยสัญญาซึ่งก็มีการเกิดปรากฏทั้งสิ้นไอ้พวกนี้มันพวกพวกทิฏฐิหกสิบสองนะซึ่งมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะแบบต่างๆเนี่ย 62แบบมนุษย <fi. S 1> ์จะคิดแค่62แบบนี้คิดไม่เกินนี้ครูเจ้าบัญญัติว่าความคิดของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยพวกกรมพวกเทวดาก็จะคิดแค่นี้เหตุปัจจัยของการมีความเห็น62แบบเนี่ยเป็นเพราะว่ายึดมั่นในขันธ์ทั้ง5้าถ้ายึดมั่นในขันธ์ทั้ง5้าเนี่ยความเห็นจะวนอยู่ใน62แบบนี้โลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดนะมันจะเวี่ยงไปเวี่ยงมา แล้วการที่เขามีมียานอย่างรู้ที่มีขีดจํากัดเนี่ยคือเขาก็คิดว่าเขารู้เท่านี้คือสุดแล้วแต่จริงๆเลยกว่านั้นยังมีอีกเขาก็เลยมาบัญญัติว่าออัตราเนี่ยเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างมีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างอย่างเนี้ย <c oughs> มีพระสูตรไหมไอม่มีท่องสักพระสูตรหนึ่งมีสองพระสูตรสองพระสูตรเลยล่ะ เรสมมาทำหน้าห้าสิบเก้าหน้าอะไรนะหกสิบเก้าหรอห้าสิบเก้าว่ายังไงคามา น, นี้เพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจทำที่เราแสดงซักกดเดียว นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อุูมและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานมีพัสดุม ส, ด, มสดที่สองสองร้อยสอง้ยห้สิก้าสองอยห้สิก ทรงห้ามบัญญัติหรือทรงห้ามบัญญัติตัดถอนสิ่งที่บัญญตัตไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญตัติจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญตัตไปแล้วจะสมาทาศึกษาในสี่ขาบทที่บัญญตัตไปแล้วอย่างเข้งคัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุ ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพรอาจารย์ช่วยอธิบายพระสูติให้ด้วยครับก็คือพรเจ้าบัญญัติว่าห้ามภิกษุเนี่ยบัญญัติอะไรเพิ่มแล้วก็ห้ามเพิกถอนคือสาวกเนี่ยไม่มีหน้าที่บัญญัติอะไรพระศาสดาบอกว่าสาวกเป็นแค่มักคคานุคาผู้เดินตาม เดินตามสิ่งที่ศาสดาบัญญัติไม่ใช่เป็นผู้บัญญัติสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนไม่ใช่บัญญัติคําสอนนะเพราะศาสดา จ, จึงสั่งว่าห้ามสาวกบัญญัตินะแล้วก็อย่าไปเพิกถอนอะไรที่ผู้เจ้าบัญญัติแล้วนะให้สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทั้งหลายวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยนะพวกเธอก็จะไม่เสื่อมเลยนะ นั้นอันนี้กเ็เรามักจะเข้าใจกันผิดในยุคนี้นะคิดว่าสาวกบัญญัติอะไรได้แต่จริงๆบัญญัติอะไรไม่ได้สาวกเป็นแค่ผู้เดินตามเรียกว่ามักขานุ ข, ขานะการบัญญัตินั้นจะมีแต่อหรหันตสมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่บัญญัติคาพูดนะธรรมะทั้งธรรมและวินัยออกมานะเข้าใจเนาะ มีั้ยมีกรถสุมัหยสาธยายทำหน้าหนึ่งร้อยห้าค่ะร้อยห้าว่าอย่างไร่งนะคะ <c oughs> ทำชี้ช่วงวิงวอนี <c oughs> ิสู่ทั้งหลายโยค ก, กรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี่ทุก นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับสนิทแห่งทุกข์นี่ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่พระศ า, าทิศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวทั้งหลาย กิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่พวกเธอนั่าโคนไม้หน้าเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องพิมพ์สองของเราแก่เธอทั้งหลายพระอาจารย์ช่วย อ, อธิบายพระสูนย์หน่อยค่ะก็คือพระสูตรนี้พระศาสดาบอกว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยโยคกรรม อันเธอพึงกระทําโยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบนะอันเธอทั้งหลายพึงกระทำํำนะผู้เจ้าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยฝึกหัดนะปฏิบัติอย่างเป็นระบบที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้ก็คืออะไรให้รู้ว่านี่คือทุกขนี่คือเหตุให้เกิดทุกนี่คือความดับทุกขและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก<ม>คืออริสัสีนั่นเองนะพระองค์บอกว่านิพพานเนี่ยพระองค์ได้แสดงไว้ให้แล้วทางถึงนิพพานก็ได้แสดงไว้แล้วนะ กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอนดูนะสแสวงหาประโยชน์การกระทำอันใดเนี่ยที่ศาสดาเนี่ยผู้ซึ่งมีความเอนดูแก่สาวกเนี่ยนะที่สมควรจะทำเนี่ยผู้เจ้าบอกพระองค์ทไไ้หมดแล้วครบถ้วนแล้วนะพระองค์ก็ชี้ชวนให้ว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนะเรือนว่างที่บ้านเราก็ได้นะเรือนว่างห้องว่างจากผู้คนอย่างเี้ย เราก็นั่งสมาธิภาวนาพระองค์บอกว่านั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสเพียรเผากิเ ล, ลสพระศาสดาบอกอย่างไรนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเรียกว่าเธอกำลังเพียรเผากิเลสละหรือว่าคอยทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเพียรเผากิเลสนะอย่าได้ประมาทนะประมาทคืออะไร แล้วศาสดาบอกว่าผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทไม่สำรวมใจให้อยู่กับกายเนี่ยเรียกว่าประมาทปล่อยให้ใจเนี่ยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าฟุ้งซ่านนะไม่สำรวมจิตนะอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยเดือดร้อนใจคืออะไรนะคือหาสาระที่พึ่งของตนเองไม่ได้นะ นี่แหละวาจาเครื่องพิมพสอนของเราแก่เธอทั้งหลายก็ให้จําไว้ว่า น, นี่ยแหละนะวาจาเครื่องพิมพสอนคําสอนของพระองค์เนี่ยที่สอนแก่เราทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเน้นเรื่องอริยสัจสนะี่ค่ะน้ำวุ้นอนะ่ะมีสูตรไหมผสมทำค่ะประสมทำหน้าอะไรเอ่ยหน้า หนานึ่งร้อยห้าสิบสองค่ะหนึ 2> 2. ่งร้อยห้าสิบสองอ่าว่ายัางไงเรื่องทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใดจริงมีผลมากพิกษุน์ทั้งหลายบุคคลแต่จำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรทำควร แก่ของทาบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกอะไรบ้างเล่าแปดจาพวกอะไรบ้างเล่าแปดจำพวกคือหนึ่งพระโสดาบันสองพระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัฏิผลสพระสั <c oughs> ะทาคารีสพระผู้ปฏิบัติ แค่ทำให้แจ้งส ก, กัดาคารมีผลห้าพระอานาคามีหกพระผูป้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนณาคารมีผลเจพระอาหารหันต์แปพระผูป้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้เพื่อความเป็นอาหารหันต์ผิกษุตทั้งหลายบุคคลแปดจําพวกเหล่านี้แล เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อรักควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเาหนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอีกิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ยัอ่งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสงที่เป็นคนตรง เป็นผู้ตั้งมาแล้วในปัญญาและศีลย่ยอมกระทําให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปาิจแกมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทําการบูชายอยู่ทานที่ให้แล้วในสงศ์จึงมีงผลมากอืมเยี่ยมมากไม่ผิดเลยค่ะอาจารย์คะ ถ้าสารพัดยังเป็นโสดาปฏิมาค์อยู่ถ้ า, ถาอะไรนะ ถ, นรถ้ายังเป็นโซดาปฏิมาค์อยู่ถ้ายังเป็นโซดาปฏิมาค์ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลทำไมนะจะเกิดอีกกี่ชาตินะคะจะเกิดอีกกี่ชาติเหรออ๋อผู้ชายบอกว่าถ้าเป็นพวกโสดาปฏิมาคเนี่ย พระองค์พยากรณ์ไว้ว่าไม่ควรที่จะทํากาลละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลคือในชาตินั้นนะ่ยที่เขาได้เนี่ยไม่ควรตายก่อนได้โสดาปฏิผลนะคนที่ได้มรักแล้วก่อนตายต้องได้ผลแน่นอนนะไม่ควรที่จะไม่ได้พอได้ถึงผลปั๊บเนี่ยก็จะไปเข้าสามกลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือเจชาติ ศนะักตะคัตุประมาณกลุ่มที่สองก็โกลังโกละ 2-3 ถึงสมชาติกลุ่มที่สามนะเอกพีชีใช่ไหมคุณจำได้อยู่แล้วหนึ่งชาติตพระอาจารย์คะแล้วถ้าอยากเป็นเอกชีชีจะต้องทำย่างไรคะเอกพีชีเหรอไม่มีที่ผู้เจ้าบอกไว้แต่เราวิเคราะห์กันเองว่า ในในโสดาบันที่พูะเจ้าตัดไว้ในคู่มือโสดาบันเนี่ย <c oughs> นะจะมีสี่สิบกว่าในยะแต่ละในยะเนี่ยจะมีเช่นว่ามีโสดาปยังคัสี่อย่างเดียวบ้างนะมีสินห้าโบ ก, กับโสดาปยังคสัสี่มีอริยยธรรมอย่างเดียวนะมีโสตา ป, ปตยังคัตสี่โบ ก, กับการให้ทานนะอ่า อีกอันหนึ่งจะมีสินห้ามีโสตาปตียังคสัสสีแล้วก็มีอริยะญาธรรมเราพิณาว่าผู้เจ้าตัดแต่ละนัยยะเนี่ยความเข้มข้นไม่เท่ากันน่ะนะก็เลยพิณาว่าผู้ที่มีคุณสมบัติของโสดาบันเนี่ยอยู่จำนวนมากเนี่ยเช่นสินห้าก็บริบูรณ มีโสรตาปติยังคษสีคือความเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีสีน้ำเป็นที่รักของพระอริยเจ้าแล้วก็รู้ปฏิจจสุบัติคืออริยะญาณธรรมน่าจะเป็นพวกเอกพีชีนะคือรวมคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยไว้ในตัวเดียวกันเลยไว้ในคนคนเดียวกันนะส่วนโสดบันคนไหนที่มีคุณสมบัติน้อยๆนะก็น่าจะเป็นพวกสักตคตุ ป, ปัละมันะเจ็ดชาตินะค่ะ พระอาจารย์คะขอโอกาสค่ะประเด็นแรกนะคะพระอาจารย์ที่พระเจ้าบอกว่าไม่ควรทํากาละก่อนที่จะได้สโสดาปฏิพันธเนี่ยยมคิดเองว่าพระเจ้าพยากรณ์แล้วว่าคนนี้ต้องได้ปฏิผล์ก่อนแน่นอนหรือเปล่าคะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่นี้กับว่า <c oughs> ไม่ไม่ควรจะทําการละเนี่ยมันก็เหมือนกับยังไม่ฟันธงเหมือนทั้งร้อยเปอรเซ็ะนะก็อาจจะเป็น มีเหตุที่สะดุดตกมาตายก่อนได้เหมือนกันแต่คงจะน้อยอ่ะนะอาจจะ 99.9% าเอร์ซเลยเพราะยังมีประเภทที่พระเจ้าบอกว่าตายคาประตูนิพพานไงอืมจะได้อยู่ละไหนนิดเดียนะยังไม่ถึงนะถ้าในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนิดนั้นอ่ะบังเอิญทากาละสะก่อนที่จะได้ผลเนี่ยใช่พบต่อไปเนี่ยเกิดมาได้ผลเลยหรือเปล่าคะพบก็เกิดมาต่อมาเกิดมาได้เลยไ้ย ของเก่ายัางมีอยู่จะต่อยอดได้แต่ก็ช้าไปชาตินึงอ่าก็เหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับก่อนที่ทําการละด้วยใช่ไหมคะว่าจิตไปเกาะที่ตรงไหนด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเออเหตุปัจจัยตรงนี้ผู้เจ้าไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้บอกเอาไว้ว่าแสดงว่า <c oughs> จะเหมือนจะเหมือนคล้ายๆกับว่ารักษาสินห้าแล้วยังไปอบายได้เนี่ยผู้เจ้าจะไม่พยายามพูดไว้มันจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างที่จะทําให้แบบว่าสาวก เกิดความท้อใจหรือว่าเกิดความประมาทหรือว่าเดี๋ยวไปจับประเด็นผิดนะคูเจ้าจะไม่พูดตรงนี้ไว้พรอาจารย์คะแล้วบุคคลกลุ่มนี้ค่ะที่จนๆ จ, จะได้นิพพานอะไรอยู่แล้วเนี่ยก่อนทำกาล่าเนี่ยจะมีเหตุให้ตกต่ำได้ไหมคะจะมีเหตุให้ตกต่ำได้ไหมก็คือถ้าโสดาปฏิมรักษ์เนี่ยตกต่ำ ไปจากมนุษย์เนี่ยไม่ได้แล้วแต่ตกต่าคือตกต่าจากความดีที่ควรจะได้หน่อยหนึ่งนะเพราะกลุ่มนี้เนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าก็จะพยากรถ้าเราไปดูพระสูตรเต็มๆตรงบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิเข้าสู่ภูมิแห่งสัพปะบุรุษจิตของเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวลงพ้นปุถุชนภูมิลนนะเห็นไ ไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำเนดเดชานหรือเปรตวิสัยได้เพราะนั้นต่ำกว่ามนุษย์ไม่ได้แล้วมีมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมใช่ใช่นวัตสกัรขอบพระคุณค่ะสองใบรับอ่าการนวัตสกนพอาารย์ครับ ระอาจารย์อธิบายข้อสุที่บุคคลในโลกนี้เจ็ำพวกที่ตกน้ำนะครับอ๋อะอาจารย์เจ็บหรือแปดครับผมเจ็ดจำพวกครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือโลรแบ่งกลุ่มของคนเนี่ยจะมีหลายแบ่งหลายหลายกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็เป็นบัวสามเหล่านะที่เราเรียนบัวสี่เหล่านี้ไม่มีนะ จริงผู้เจ้าจัดบัวสามเหล่าคือบัวที่อยู่ใต้น้ำอันน้ำพยุงไว้อยู่ปลิมน้ำแล้วก็อยู่พนน้ำนะสมัยที่สัมบดีพรมเนี่ยมาทูลนรัตนาให้ผู้เจ้าทรงแสดงธรรมเพราะพระองค์เนี่ยทรงท้อพระทยัยว่าสัตว์ที่จะรู้ตามเนี่ยหาได้ยากนะแต่พระองค์ก็เลยพิจารณาอีกทีว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังพอมีอยู่ พวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพระองค์ก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมโดยพระองค์ตรวจดูสรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุแล้วก็เลยเห็นเปรียบเหมือนบัวสามเหล่า เ, เสร็จแล้ว <c oughs> ในเรื่องของบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเนี่ยพระองค์เปรียบอย่างนี้ว่าคนหนึ่งเนี่ยตกน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยก็คือ เกิดมาแล้วทำอกุศลอย่างเดียวนะไม่ทำความดีอีกพวกหนึ่งผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจิงจมก็คือทำความดีขึ้นมาได้นิดเดียวแล้วก็ทำความเลวต่อไปนะอีกพวกหนึ่งเนี่ยผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พวกนี้ส่งความดีไว้ได้แต่ไม่เดินหน้าแต่ก็ไม่ถอยหลังได้แต่ส่งๆนะอืม พวกที่สี่ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่แล้วเนี่ยทรงไว้ได้เริ่มเหลียวดูรอบๆแล้วว่าตรงไหนเป็นฝั่งนะพวกนี้โสดาบันบุคคลอ่ะเริ่มขวนขวายละหาแล้วว่าเอชีวิตนี้มันต้องตายแน่ทำยังไงดีมันจะเอาตัวรอดจากความตายได้คืนลอยอยู่ในน้ําอย่างนี้ตายแน่นอนใช่ไหมก็เริ่มเหลียวดูรอบๆละหาฝั่งละนะอันนี้พวกที่สี่พวกที่ห้านี่ เห็นฟังแล้วเริ่มไหว้เข้าสู่ฟังพวกนิสกัตาคามีนมะ <c oughs> <c oughs> พวกที่หกนะถึงที่ตื้นพวกนี้อนาคามีไหา้น้ำถึงที่ตื้นแล้วแต่ยังไม่พ้นยังเหลือน้ำอยู่น ะ, ะก็กีเลศก็ยังไม่หมดนะพวกสุดท้ายนะถึงฟังนะข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพรามยีมีอยู่นะอันนี้พระรหัน อันนี้คือบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจาพวกมีอยู่ในโลกนั้นเราเป็นพวกไหนนา ะ, ะลอยขึ้นฝั่ดเริ่มไหวหรือยังเลี๋ยวดูรอบๆหรือยังอาจารย์ครับแล้วที่ว่าเห็นช้างนะครับเห็นช้างเห็นช้างอ๋ออุปมาเห็นช้างนี่จะเปรียบเหมือน แบบบางคนบอกว่า <c oughs> โสดาบันต้องเอาไปเปรียบเทียบกับผู้ที่อาจเข้าใจผิดว่าโสดาบันเนี่ยจะต้องเห็นนิพพานนะโสดาบันหรืออะไรบุคคลขั้นต้นเนี่ยเห็นแค่ร่องรอยของนิพพานเท่านั้นนะงจึงเปรียบเหมือนบุรุษต้องการเห็นช้างใหญ่มีคนก็บอกมีช้างใหญ่อยู่ในป่าก็ ทำการพิสูจน์ด้วยการเดินเข้าไปในป่าเมื่อเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มเห็นรอยเท้าช้างโอ้โหรอยเท้ามันเริ่มไม่สงสัยตัวมันจะใหญ่จริงนะอ่าก็จะมีความเชื่อขึ้นมาระดับหนึ่งละบุคคลนี้เรียกโสดาบันนะเริ่มเห็นล่องรอยแล้วนะพอเดินเข้าไปในป่าเริ่มมีการปฏิบัติแล้วไงอืมพิสูจน์ความจริงแล้วนั้นะเราได้ยินธรรมะผู้เจ้าเนี่ยแล้วเอามาพิสูจน์เนี่ยมารักษาสิ่งทามานั่งสมาธินึก น, น, นี่เริ่มพิสูจน์แล้วนะ ก็จะเริ่มเห็นล่องลอยนะเช่นว่าจะได้ปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตัตยฌานบ้างอย่างนี้นะเสร็จแล้วเดินลึกเข้าไปอีกก็เห็นรอยช้างนะเอาตัวสีข้างกับต้นไม้นะอา่าก็โอ้โหลอยสีตัวของช้างข้างข้างต้นไม้มันสูงใหญ่สงสัยตัวช้างคงจะตัวเบลื้มก็ชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนิ่สกาธาการมีเดินลึกเข้าไปอีก เห็นช้างเห็นรอยที่ช้างเอางวงหักกิ่งอยู่ข้างบนนะว่ากิ่งไม้เนี่ยหักสูงลิบเลยนะแค่สงสัยช้างใหญ่นี้จะมีจริงนะนี่อนาคามีบุคคลเดินลึกเข้าไปอีกจนเห็นตัวช้างนี่คือพระละหันนั้นผู้ที่จะเห็นนิพพานและมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรอย่างสนิทจริงๆเนี่ยก็คือพระละหันนั่นเอง ที่เหลือเนี่ยแค่เห็นร่องรอยเชื่อมั่นในระดับหนึ่งแล้วนะครอารย์คะขออีกคำถามหนะะึ uh ่ง huh. ว่าด้วยอภิภายยตนา8แปดดูก่อนอานน์ อภิพายตระหนัแปดประการเหล่านี้แลแปดประการเป็นฉไนขอยกแค่เพียงข้อเดียวนะคะผู้หนึ่งมีความสําคัญในอารูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวดอกผักตบอันเขียวมีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวหรือว่าผ้าที่กําเนิดในเมืองพาราณสีนีส่วนทั้งสอง เกลี้ยงเขียวมีวันณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวแม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวันณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวฉันนั้นเหมือนกันครอบงารูปเปล่านั้นแล้วมีความสําคัญว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิอ ภ, ภยายายาตนะข้อที่ห้า าจากนั้นพระองค์ก็ตัดถึงข้อที่ข้ออื่นๆอีกก็คือมีอันเหลืองมีเหลืองมีแดงมีเหลืองแล้วก็มีขาวมีแดงมีขาวอะค่ะคำถามคืออภิทยายจันนะคืออะไรคะกับอันรูปภายในคืออะไรคะแล้ที่ทรงตัดเห็นอัูปภายในเห็นรูปภายนอกเขียวเหลืองแดงขาวแล้วเราให้ความแล้ว ผู้หนึ่งมีความสําคัญในอารมูภายในเห็นนรูปภายนอกอันนี้เป็นอภิพภายาลา เ, เอาทีอ่อ่นานจำไม่หมดแทำคําถามเดียวไม่หมด <คำ S 2> แต่<า>จริง<ด><ๆ>สรุปง่า ย, ายๆตัวเนี้ยอันเนี้ยเป็นพวกพวกกําหนดอารมณสัญญากําหนดแสงสว่างกําหนดสีกําหนดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้คุณวิเศษตรงนี้นะแต่จริงๆเรื่องพวกเนี้ยไม่ไม่ใช่ทางหลุกพ้น เป็นความสามารถที่ในทางโลกที่เขาจะทำได้นะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้เหมือนการกำหนดแสงสว่างเหมือนกันก็นกนกนกนสามารถเห็นสวรรค์ น, น ะ, ะเห็นเทวดาแต่ฟังเสียงไม่ได้ทําเก่งขึ้นไปอีกหน่อยก็ฟังเสียงได้นะเก่งขึ้นไปนิดก็คือโต้อตอบคุยโต้อตอบกับเขาได้อย่างนี้ <c oughs> แตนนี้ไม่อยากให้พวกเรา กระจายแตกความรู้ออกไปมันกว้างไกลเกินไปมันจะหลีกไปจากอริยสัจ4นั้นจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสืออริยสัจเนี่ยอาอตมาอยากให้โยมกลับเข้ามาสู่อริยสัจจากพระโอษฐ่าเล่มตีกรอบอยู่ในนี้แค่ห้าเล่มนี้ก็เป็นอริยสัจ4ีทั้งชีวิตของพระศาสดา โยมกว่าจะแกะได้ก็เป็น1 0บ0ปีแล้วถ้าโยมไปแกะนอกกรอบอีกนะมันจะยิ่งแตกลูกออกไปเยอะนะแล้วเราก็จะงงหาหลักการอะไรไม่เคยได้นั้นอันดับแรกเนี่ยโยมตีกรอบของการศึกษาความรู้อยู่ใน5้าเล่ม น, นี้ก่อนนะจากนั้นเนี่ยพอยมได้หลักได้เกณฑ์เนี่ยโยมจะค่อยๆแกะพวกนี้เข้าใจถ้าจู่ๆไปจับพวกนี้เลยนะโยมก็จะงงนะอืม เหมือนอยู่ๆเลขบวกลบ ก, ก็ยังไม่ได้เรียนไปนเรียนแคนคูลัสดิฟอินดิเกตอะไรพวกนี้มึนแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่าค่อยๆแกะไปก่อนศีลห้าเป็นยัางไงาทานเป็นยัางไงาอะไรเป็นยัางไงาใช่ไหมอริยสัจเป็นยัางไงไล่ไล่ไปสมาธิเป็นยัางไงาอามารอยากให้บนอยู่ในในเล่มพวกนี้นะอ่าพุทธประวัติจากพระโอด์อริยสัจจะพระโอส์ภาคต้นขุมทรัพย์จากพระโอส์เนี่ย นี่คืออริยสัจสี่ทั้งชีวิตที่ผู้เจ้าบอกสอนไปแล้วแค่นี้นี่เราก็เก็บไม่หมดละนะเก็บได้อีกยี่สิบสามสิบปีเลย <c oughs> นี่คือภูมิปัญญาด้านอาริยสัจทั้งชีวิตผู้เจ้านะเหลือเฟือละตรงพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่แตกประเด็นออกไปนะก็อยากให้ตีกรอบมาตรงนี้ ม, มันจะได้ไม่ไม่ฟุ้งไปมากน ะ, ะตรงนั้นสำหรับผู้ที่ศึกษาตรงนี้ชำนาญชนานาญแล้วนะค่อยค่อยไปจับประเด็นตรงนั้นดีไหมเหมือนกันตอนเนี้ยอย่างคำถามข้ามวันเสาวเนี่ยมันเริ่มแตกลูกไปมากพอเราพอเราทำตรงนี้33เล่มเนี่ยนี่คือภูมิปัญญาพระเจ้าทั้งชีวิตเนี่ย มากมายขนาดนี้ท่นนี้เราจะเริ่มสเปสปาแล้วเราอ่านตรงไหนเราก็อยากรู้หมดเลยนะอ่านตรงนี้เจออยากรู้ในอ่านตรงนี้เจออยากรู้ตรงนี้กรอบความรู้มันมันมันไม่เป็นองก์อะ่ะมันมันไม่เป็นกรอบของอริยสัจสีนั้นนี่ท่านพุทธานี่ชื่อว่าสุดยอดมากพยายามตีกรอบขององค์ความรู้ให้มาอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่นั้นตรงนี้จะเป็นอริยสัจสี่ทั้งหมดพ้นทางพ้นทุก จริงๆนะนั้นพ ส, สูดพวกนี้ท่านพุท่าจะไม่หยิบออกมานะจะทิ้งไว้ในเล่มใหญ่นี้นะนั้นถ้าเราศึกษาอยากให้อยู่ในกรอบตรงนี้ก่อนนะอย่าอย่าพึ่งแตกลูกไปมากนะ อ, องค์ความรู้มันจะกระจัดกระจายนะคือเพอร์เอรเห็นมีพ ส, สูดอีกเหมือนกันนะคะเห็นเขาเล่นกันในเน็ตคือพวกกระสินอย่างเงี้ยค่ะ มีการกล่าวถึงสีเขียวขาวแดงเหลืองก็เลยคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับว่าถ้าเกิดสมมติไปฝึกทางด้านทางกสิณ้วอาจจะมีจะเห็นแต่ที่เขาทำใบน้อยมากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ท้าทก็ไม่หยิบเรื่องกสิณมาเลยนะไม่หยิบเรื่องกสิณมาเลยพผู้เจ้าตัดไว้น้อยมากอะไรที่ที่ตัดใบน้อยเนี่ยอย่าเอามาเป็นประเด็นก่อนเนี่ยแค่แค่ที่ตัดไว้เยอะในแค่นี้โยมก็เรียนรู้ไม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นพระศาสดาบอกว่า มหาชนจะเดินตามสิ่งที่ผู้เจ้าสันเสริญเอาไว้ภูมิความรู้พระศาสดาเยอะมากนะทางหลมคโคลนมันไปได้ผู้เจ้าก็บอกเอาไว้นะถ้ามันไปได้แต่โยมจะไปเดินทํามะเลยโยมเดินซปเปอร์ไฮเวสี่นั่งเครื่องบินเนี่นั่งรถยนต์ดีๆไปนี่บอกทางดีๆฟิวไปแป๊บเดียวถึงใช่ไหมมันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าแล้วก็ลำบากกับเราน ะ, อ, ะอย่างนี้ อ, อะไรไม่ก็อยากพูดเรื่องพวกนี้นะใช่ค่ะขอบคุณค่ะพวกอิทธิปฏิหารต่างๆเนี่ยพระศาสดาบอกว่ายังไงพระองค์บอกว่าพระองค์รู้สึกอึดอัด ขยัแขยแงเกลียดชงังต่ออิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเลยนะมันก็จะตรงอริสัตย์เลยพ้นทุกข์อย่างเดียวเร็วที่สุดเพราะพระุทธเจ้าบอกไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าเห็นไหมพรุ่งนี้จะตายอยู่แล้วยังถามเอออนโนท์เป็นอะไรพรุ่งนี้ตายจ้อยนะอดเลยนะ พู้เจ้าบอกเปรียบเหมือนบุรุษนะถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษแพทย์ผ่าตัดก็จะมาผ่าตัดเอาลูกศร อ, อาบยาพิษออกบุรุษคนนี้ก็บอกแพทย์ว่าอย่าพึ่งเลยลูกศร น, นี้ทำด้วยไม้อะไรใครเป็นคนยิงนะคนยิงชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนพี่น้องกี่คนผู้เจ้าบอกบุรุษคนนี้ตายก่อนแน่นอนไม่ทันจะได้รู้คาตอบพวกนี้หรอกนะ อย่างเรื่องทิฏฐิ62สองเป็นเรื่องที่ยากมากยอมจะเห็นว่าไม่มีพระองค์ไหนเลยคุยเรื่องทิฏฐิ6กบสองะเป็นมิจฉาทิฏฐิ6กบสอแบบนะแต่ถ้าใครรู้และใคร <c oughs> ชำนาญเรื่องนี้ก็จะเรียกว่ารอบรู้ตำราพิชัยสงครามนะก็คือจะปรับทิฏฐิความเห็นต่างมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆได้จะรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างนี้จะต้องสอนอยังไงมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้จะต้องบอกอยังไง อาจารย์คะขอโอกาสอยากให้อาจารย์อธิบายพระสกทาคามีห้าจำพวกอะค่ะที่แตกเป็นลูกไฟอะค่ะอ๋ออนาคามีอนาคามีอนาคามีก็เออ จะมีพวกที่พวกแรกก็คือใกล้ประมาณกึ่งอายุไขเนี่ยจะบรรลุเป็นอนาคามีบนโลกนี้เนี่ยพวกที่สองเนี่ยใกล้สิ้นอายุไขแล้วถึงจะได้บรรลุก็เป็นอนาคามีบนโลกนี้เหมือนกันอนาคามีบนโลกนี้บางพวกภิสูุนในธรรมวินัยนี้เนี่ยต้องใช้ ความเพลยเรี่ยวแรงน ะ, ะถึงจะบรรลุอีกพวกหนึ่งเนี่ยไม่ต้องใช้ความเพลยนเรี่ยวแรงก็สามารถบรรลุทำได้ น, นี่สี่พวกแล้วนะพวกสุดท้ายเนี่ยสิ้นชีวิตก่อ น, นก็ไปเกิดในอากนิทภพแล้วก็จะได้บรรลุพร ะ, ะหรหันในพบนั้นซึ่งอากนิทภพก็คือยาวเลย นะอยู่ยาวผู้เจ้าจึงอุปมาเปรียบเหมือนลูกไฟที่ตกไปแล้วก็ลามทุ่งไปตลอดจนยันภูเขายันชายน้ําเลยนะอืมท่านสี่จำพวกนี้มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมหลังจากขับกาละไหมคะสี่จำพวกรนี่ยค่ะสี่จำพวกแรกสี่จำพวกนี้เป็นพระหันานไงเป็นพระหลา ร, ระหลา์ได้หมดเป็นพระหลานช่วงกึ่งอายุขัยช่วงใกล้สิ้นอายุขัย เป็นพระหานโดยไม่ต้องใช้ความเพียนเรวแรงเป็นพระหลานโดยต้องใช้ความเพียนเร็วแรงขอบพระคุณค่ะโอกาสถ้า <c oughs> อาจารย์น่าจะว่ามีผู้ใหม่มาด้วยเจ้า่าหลายคนอ่าฮะ ก็สาวที่แล้วพามาด้วยหนึ่งคนก็เห็นกลับไปก็คุยกันว่าไม่ค่อยเข้าใจอ๋อวันนี้ไม่ค่อยเข้าใจยังไงนั่งรู้ลมหายใจแค่นี้ง่ายๆยงจะไปเข้าใจคนที่เขาสั่งสมสุตตะมามากแล้วก็ถามน ะ, ะถ้าก็ถามธรรมะชั้นลึกเรายังไม่เข้าใจเราก็สั่งสมสุตตะพื้นฐานไปก่อนสิอย่างที่ยงผู้ชายอ่านพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ว่าคาม น, นิเนี่ย ที่พรงค์ตัดกับคํานี้พระตถาคตบอกรู้ธรรมะของพระองค์เพียงบทเดียวก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานแล้วหลุดพ้นได้แล้วขอคําเดียวนะโยม อ, อย่าไปจิบจับอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังสั่งสมสุดแต่ไม่มากเราเอาง่ายๆคําคเดียวเช่นละนันทิคําเดียวก็ได้เวลาโยมคิดเรื่องอะไรเยอะๆเนี่ยโยมก็รีบทิ้งฟังเสียง ได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมรงด้วยใจอะไรก็ตามเนี่ยรีบละรีบละรีบกวางกลับมารู้ลมหายใจแค่นี้เข้าใจยากไหมเนี่ยหมูจะตายนะทำแค่นี้โยมเป็นพาาระอรหันต์ได้แล้วนะหลุดพ้นได้แน่นอนจับอันเดียวนะจากนั้นเนี่ยถ้าโยมอยากแตกฉานโยมค่อยๆสังสมสุตตะให้กว้างขวางขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสงสัยปั๊บเนี่ยพระเจ้าบอกให้เข้าไปซักไซไล่เลียงสอบถามแก่พิสูจที่คล่องแคล่วในหลักพุทธ พุทธวจนะเนี่ยนะให้ถามว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ไหนด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดทำที่ถูกปิดไว้ได้ <c oughs> แต่จริงๆถึงจะไม่มีผู้ที่คล่องแคล่วโยมก็สามารถแกะด้วยตัวเองได้แต่อาจจะนานหน่อยแค่นั้นเองนะแต่ถ้าโยมถามผู้ที่คล่องแคล่วก็จะได้รู้เร็วขึ้นนะ <c oughs> อานาปานสติอย่างเดียวก็ได้นะ รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกละนันทิอานาปาไม่เที่ยงคําเดียวก็ได้ครเจ้าบอกว่าผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพล่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอาหารหันในปัจจุบันเขาต้องได้พระอหันแน่นอนในปัจจุบันนั่นยมจับคําเดียวนะเห็นต้นไม้ก็เห็นความไม่เที่ยงมันนะใบไม้ร่วงต้นไม้ตายเห็นคน ตายเห็นคนเจ็บเห็นคนป่วยเห็นอะไรก็ตามมีความไม่เที่ยงอยู่ในจิตอยู่ตลอดสุขเกิดมาในใจก็เห็นสุขดับไปแปลเปลี่ยนทุกเกิดมาก็เปลี่ยนเดี๋ยวรักคนนี้เดี๋ยวเกลียดคนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยอันนี้จังนะ <c oughs> จับประเด็นง่ายๆตรงนี้เนาะ <c oughs> น้ำวุ้นภาวนาอย่างไงน้ำวุ้นฮะทำยังไงนะเอาของน้ำวุ้นใช้อะไรเวลานั่งสมาธิทำยังไง รู้ลมหายใ จ, ลลยใจแล้วเวลาถ้าจิตหลุดจากลมหายใจไปทำยังไงดึงกลับมาดึงกลับมาแค่นี้เนาะเสร็จแล้วนะง่ายๆเอละเอิร์ดทำยังไงเอิร์ะเอาลุนโตขึ้นมาหน่อยเจรนนาปานาสติเหมือนกันเนะจเรนาปาเหมือนกันแล้วถ้าจิตเคลื่อนออกไปทำยังไงนะ ก็ละนันที่เราก็มีอยูกับลมหายใจละนันทีกลับมาอยู่กับลมก็ทําแค่นี้ใช่ไหมครับใช้สุดเดียวกันนะละนันทีแล้วก็อยู่กับลมหายใจเนีย่ยยมจําแค่นี้ยมทําไปได้ตลอดเลยนะครู <c oughs> เจ้าบอกว่าผู้ใดกระทําให้มากเจริญให้มากซึ่งอาณาปานสติผลที่เขาวังได้สองอย่างคือพระรหันต์หรือพระนาค า, รร า, ามีในปัจจุบันยมอยู่กับลมหายใจออกแค่นี้แหละไปเรื่อยๆน ะ, ๆนะได้พระรหันต์แน่นอน ก็เลยยืนยันด้วยคำพระศัสดาให้ฟังด้วยพรนะอาจ <c oughs> ารย์ครับถ้าเกิดว่าในแง่ของการที่จะตั้งองค์ธรรมในเรื่องของใช้ธรรมะวิจยะเนี่ยนะครับ <นะ S 2> ใใคือกล้ายๆว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราอาจจะลืมเรื่อง น, นู้นไม่งั้นแล้วถ้าถ้าไม่หมั่นทบทวนเข้ามาน <ะ S 2> ในระหว่างที่ อ๋อจะเล่นภาวนาเนี่ย ไ, ไม่ต้องไปกลัวลืมกลัวอะไรหรอกรนะไปเป็นความกังวลอย่างนั้นก็เลยไปสร้างภพชาติอยู่ตลอดเนี่ยครั บ, รบยังไม่ต้องไปกังวลเลยกลัวเดี๋ยวจะไม่มีปัญญาเดี๋ยวจะลืมนะั่นไม่ต้องคอยละนันทีละนัเราจะเอาเข้าวิมุติไม่ใช่เหรอเราจะเอาเข้าถึงความไม่ตายไงคือคือตอนนี้ที่ที่กำลังพยายามอยู่นะฮะไม่ใช่พยายาม คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวพอก่อนจะนอนพอล้มตัวลงอมรณานุสติมาแล้วก็จะนึกตรงนั้นนะครับใช้ใช้ใช้เจริญพันาุ์ไหรือใช้อาจจะใช้ในเรื่องของโพธิปัจฉิธรรมทั้ง7บทเลยนะฮะก็เดี๋ยวเอาเรื่องของสติปัฏฐาน4เดี๋ยวก็เอาเรื่องวิริยะภละอะไรต่างๆนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งโพชฌงค์ทบทวนอยู่อย่างนี้บ่อยๆอันนี้ไม่ทราบว่าผิดหรือได้ได้ได้ครับอาจารย์ได้มัน ผู้เจ้าบอกอว่าถ้าเธอจะพิจารณาเนี่ยให้พิจารณาในเรื่องอะไรพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบาร ณ, น, ารณนั้นถ้าเราเละนันทีเรื่อยๆนะอาจจะความเพียรมากเกินไปนะก็อาจจะเคร่งเครียดนะเราก็ไปคิดนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ ที่เป็นประโยชน์ก็คือคิดในเรื่องธรรมะพิณาปฏิจจสุบัทก็ได้โพธิปัิยธรรมก็ได้ใช้ธรรมะวิจยะเพราะคนเราเนี่ย <c oughs> ยึดขันห้ามาตลอดการยาวนานเนี่ย <c oughs> คนเราเนี่ยยึดความคิดอดีตอนาคตมาตลอดการพอจะไม่ให้คิดเนี่ยโอ้มันจะเริ่มเครียดนะ <c oughs> จิตมันจะอยากไปมันจะอยากไปมันจะอยากไปเราจะฝืนฝืนกระแสกำลังยังไม่เยอะเพราะนั้น เวลาละความเพลินปั๊บสักพักนึงมันไม่ไหวเราก็ปล่อยไปก่อนปล่อยไปสักพักมีกําลังใหม่ละใหม่อย่างนี้แต่ให้เรารู้ว่าการละเนี่ยเร็วที่สุดโยนทิ้งเลยแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่ง่ายสุดเร็วสุดใช่ไหมให้ละเลยอ่ออา <c oughs> ใช่ใช่ ใช่ใช่ตัดเลยก็ได้ถ้าจะเอาเข้าแบบรวดเร็วเลยนะแบบภายะเห็นอะไรสักว่าเห็นได้ยินอะไรสักว่าได้ยินรู้อะไรสักว่ารู้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บหลุดพ้นเลยอย่างนี้แต่แต่คนเรามันยังอะไรา ย, ยังมีความเยื่อใยในอารมณ์อยู่ไนงะมันก็เสียดายความจําเสียดายความคิดเสียดายอารมณ์ต่างๆยังอยากเกิดไนงะจิตจะอยากที่จะไปรู้ เรียกว่าเป็นความกำหนัดในวิญญาณวิญญาณอยากไปรู้อารมณ์อยากไปรู้อารมณ์นี้เนี่ยเป็นความอยากเรียกว่าภวะตัณหาตัณหาในการสร้างพบนะเพราะเราคุ้นเคยกับการสร้างพบมาตลอดการยาวนานเลยไม่มีพบเนี่ยอยู่ไม่เป็นเนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวตัดไม่เกี่ยวเลยอ่านาาัญถ้เเรอืม มันอยู่ที่มุมมองของโยมตัดมาเนี่ยโยมได้อะไรนะเพราะตัดไปปุ๊บเนี่ยเกิดดับเห็นทันทีเลยมันอยู่ที่ใครไปมองตรงไหนอโยมมองเกิดดับโยมก็เป็นปัญญาวิมุตต์ได้ใช่ไหมโยมไม่มองเกิดดับมันก็เป็นเจโตวิมุตติใช่ไหมอ่าเพราะคิดแต่จะเอานิ่งอย่างเดียวแต่ขณะที่โยมดึงกลับมาอารมณ์หนึ่งจะดับอารมณ์หนึ่งจะเกิดเกิดดับนี้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่มองเองไงถ้าไม่มองก็ไม่เป็นปัญญาถ้ามองปุ๊บก็เป็นปัญญาทันที